พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งเลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากิเลสอยากมีหน้ามีตาวันนี้คูบาอดอาหารมากเว้ยพระอดอาหาร17รูป ลงมาสันยีสพระส1อดพระสอรูปลงมาชัน24สสี่รูปงดฉัน17เจ็ดรูปนาคสาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิเกธันวาคมพุทธศักราช2559หหลวงปู วัดโพธิสมพรท่านมรณาภาพวันที่14แต่วันสองวันหลวงพ่อไม่ได้ไปเสาร์อาทิตย์ติดภาระแต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็ยังฟังฟังหลวงปู่อยู่ตลอดเพราะท่านเป็นหลวงปู่เป็นร่มโพร่มใจของลูกหลานจังหวัดอุดรเราในฐานะลูกหลานเป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็พร้อมที่จะน้อมรับ ว่าเรื่องเราเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของพกลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละหลวงพ่อก็ในฐานะองค์หนึ่งเหมือนกันคอยรับฟังมีอะไรที่จะเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระกับคณะบรรดาสิทธ์ทั้งหลายหลวงพ่อก็ฟังฟังแต่จะเข้าไป ใ, ใกล้คุกคีกั อ, อายุของหลวงพ่อก็มากแล้วต้องเตรียมสังขาร จะไปมอกให้พาลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมพุทีิอยู่ใกล้ช่วยช่วยกันดูช่วยช่วยกันแลแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องครูบาอาจารย์ล่วงรับดับขันแต่ละองคนะ์เหมือนกับต้นโพต้นไทรโค่นแต่ผู้ทีเ่เข้ามาช่วยด้วยจิตศรัท ธ, ธาก็มี ผู้เข้ามาสาบ่วยก็มีผู้เข้ามาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันก็มีมีหลายอย่างแล้วเกินนะศรัทาญาติโ ย, ยมลูกหลานอย่างองค์หลวงตาหลวงพ่อเห็นได้ชัดๆสมัยเราเข้าไปเราก็เข้าไปช่วยองค์หลวงตาเราทุ่มเททุกทุกอย่างอย่างผ้าในวัดของเราหลวงพ่อไม่ได้พูดไม่ได้คุย แจะ ว, ว่าขนไปหมดเลยทั้งผ้าไม้ผ้าอะไรผ้าอะไรที่ที่จะเข้าไปทําบุญกับองค์หลวงตาไป ว, ว่าขนไปแต่เรื่องจะตกปัจจัยก็พร้อมที่จะทุ่มเข้าไปอีกเหมือนกันจุดไหนที่ขาดเหลือขาดตกพอหลวงตาบอกว่าไม่ให้ใช้เงินที่เข้ามาบริจาคในงานศพของเราให้ใช้เงินสนอื่น เรามีแต่ไม้จิกแต่งลังเท่านั้นอ่ะเผาไม่ต้องใช้เงินของพี่น้องประชาชนเงินพี่น้องประชาชนมีเท่าไหร่เอาเข้าซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้คือในพินัยกรรมและก็ก่อนหนะ้านี้ท่านก็พูดเป็นภาษาของท่านให้ใครตกใครได้ยินได้ฟังเพราะนั้นเราจะไปเอาจุดปัจปจัยของท่าน ออกมาใช้เงินบริจาคมาใช้มันผิดประเภทใครได้ไปได้ยินไปถึงไหนเขาก็คงจะดุดาดากลติฉินนินทาเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในจุดนั้นเพราะนั้นะเรื่องปัจจัยในวัดของเราก็พร้อมเหมือนกันนะอะพร้อมที่จะปล่อยออกไปเ ท, ท่าที่ความสามารถอันนี้ก็คือในจุดของเราแต่แตอนนี้ เรื่องจัดการจัดงานในช่วงนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเข้าไปอย่างถึงหลากถึงโขนไม่ใช่หลวงพ่อเพียงแต่เป็นถือแนวแถวนโยบายเบื้องบนว่าจะให้งานหลวงตาเป็นยังไงไปยังไงแต่บางครั้งก็หน้าคิดบางทีบางคนก็ยังระแวงแคลงใจมากระทั่งทุกวันนี้ ทำไมหลวงพ่ออินเป็นประธานาทำไมคนนั้นให้ความสำคัญกว่านีเา้เวลางานรับเสด็จหรือว่างานที่จะประชุมเพลิงครั้งสุดท้ายาทำไมคนนั้นเข้าไปคนนี้ไม่ได้เข้าไปคนนั้นได้โบคนนี้นไม่ได้เหรียญหลวงพ่อปวดหัวกับงานเี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ได้เข้าไปยุ่งจุดนั้นอ่ะ หลวงพ่อมอบให้พระในวัดป่าบ้านตาดนั่นแหละที่เคยอยู่วัดป่าบ้านตาดเพราะท่านรู้จักมักคุ้นกับลูกศิษย์ลูกหาเราก็อยู่ไกลเป็นลูกใครเราจะไปเข้าเอาคนนั้นเข้าเอาคนนี้เข้าไปพูดได้ยังไงเราก็มอบให้กับพระวัดป่าบ้านตาดนั่นแหะเป็นภาพผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ลงหลวงพ่อมอบให้อาจารย์น้อยบ้างอาจารย์ปิ๋วบ้างแล้วก็มีใครเข้าไปช่วยกันดูนะ เพราะว่าผมอยู่ไกลผมอยู่ห่างผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ใกล้ชิดไกลอยู่ไกลอยู่ใกล้องค์หลวงตาให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้คัดสรรคัดเลือกกันแล้วกันนะแต่ให้ตามความเหมาะสมเป็นธรรมนั่นแหละหลวงพ่อก็อยู่แนวให้แนวนะโยบายอย่างนั้นท่านก็ไปตั้งเต็นท์อยู่ทางหน้าแต่บางคนก็ยังว่ า, าก่อตอนที่พวกนี้เข้ามาก็ไม่ ไม่เสนอเข้ามาพอมาไม่มีชื่อตัวเองกัะนะปัญหาเกิดแท้นโอ้แต่แโคงสุดท้ายนะี่ลุงตรงหนังพอสมควรนะลูกหลานนะนี่แหละกูบายจานหลวงพ่อกับเป็นหัวเหมือนกันนะ่ะเป็นหัวเจ้าคุณหลวงปู่เจ้าคุณปู่ของเรานะเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกห า, าโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงผู้ประธานนะมาแห่ความสำคัญกับบรรดาลูกศิษย์ ที่เป็นรู้จักเป็นผู้ประถมประทักหลวงปู่มันนมนานมองไม่เห็นหัวหลักษณะอย่างนั้นะบางองค์พระบางองค์เ่อยากจะมาเป็นองค์แสดงธรรมจุดที่สำาจํจำเป็นสำคัญก็มาหาหลวงพ่อมาล็อปบี้หลวงพ่อเ อ, อเออเรื่องจัดงานางนี่นู่นไปหาองค์นั้นนะพระกลุ่มนั้นหลวงพ่อมอบให้กลุ่มนั้น อันนี้ก็ความไม่พอใจกับมีอีกหลวงพ่อเดะทั้งขึ้นทั้งหล่องว่างันแตเนี่ยแหละกาจัดงานครูบาอาจารย์ไม่ให้ถูกติชินดินทาเนยมันเป็นไม่เป็นไปไม่ไดนะ้มันพร้อมที่จะน้อมรับยอมรับทุกอย่างเป็นผ้าเช็ดเท้าให้หมู่ให้คณะให้ครูบาอาจารย์ศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกคนนะเป็นผ้าขี้เลี้ยวเลยก็แล้วกันนะ ในช่วงนั้นยอมหมดทุกอย่างฮะแต่เราทำทำให้ดีที่สุดแต่ภาคกิเลวก็จริงแต่ภาคกิเลวหอทองทองคืออะไรคือใจของเราบริสุทธิ์ทำด้วยความบริสุทธิ์ทำด้วยความตั้งใจความได้ทำทำด้วยเชิดชูบูชาถามใจของตัวเองเราต้องการหน้าตาไหมต้องการยศ เต้องการลาบยศไหมให้ถามตนเองเลยถ้าถามตนเองเราทําเพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนอื่นจะได้มาอย่างไงไม่ได้ยังเมืองเราไม่สนเราทําให้ดีที่สดุดกระทบกระเทือนออญาติโกโหติกาพี่น้องให้น้อยที่สดุดอแต่ขนาดนั้นก็เถอะนะจะทํายังไงได้ พอเราทําเข้าไปพอทํางานเข้าไปคนที่ทํางานกับคนที่ไม่ทํางานคนที่ทํางานเขาก็มาถามมาถามมาไทายเป็นยังไงเป็นอะ ก, ก็รู้ทั้งหมดเลยมันก็รู้ทั้งหมดพ่อยแหละเพราะทํางานไอ้คนที่ไม่ทํางานเนอยู่ห่างๆจะไปรู้ได้ยังไงจะเนี่การเคลื่อนไหว ย, ยังไงการไปมายังไงก็ไม่รู้พ้ไม่รู้ก็เป็นห่างไม่ห่างก็เหมือนกับตัวเองเป็นบุคคลไม่สําคัญเลยไอ้ข้าว่าเนี่ย ให้เป็นบุคคลสำคัญแต่ผู้นะผู้อยู่ทำงานหน้างานนถือตัวเองแบบเป็นผู้สำคัญนะแต่ทำยังไงได้ละ่ะเพราะคนที่ทำงานมันต้องรู้ว่างานมันจะไปทางไหนอย่างไรใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนี่แหละหลวงพ่อเลยเป็นห่วงนะถ้าจะว่าไปงานใหญ่ๆอย่างงานหลวงปู่วัดโพธิสมพรกลัวลูกหลานะ ศรัทธาญาติโยมผู้มุ่งหวังโลกกรรมำแปดลาบยศสจรเสริญนั่นแหละมันจะทำสร้างปัญหามีปัญหาถ้าทุกคนทำเพื่อบูชาพระคุณองคหลวงปู่ไม่มีอะไรถึงจะทำทามากทำร้อยก็ทำเพื่อหลวงปู่อย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ห่างไกลเนี่ยเอาเธมีอะไรบอกมาหลวงพ่อจะเข้าช่วย แต่พอหลวงพ่อเข้าไปทีไรก็เทเลทะลายนั่งหัวหน้าเนี่ยพอแล้วอายุพรรษาหลวงพ่อมากเอหมู่ก็ให้ความสําคัญหลวงพ่อก็ขึ้นไปนั่งอผู้ที่ไม่พอใจก็คงจะมันคันเขี้ยวมันกันเนีหลวงพ่ออินเนี่ยทําท่ามาน่ะทําท่าเทเลทะลายมานั่งมามานั่งแถวหน้าไปแถวหน้าเะเออจะทํำยังไงได้ล่ะเออหลวงพ่อก็เทเลทะลายจริงๆนะไปบางทีเขากับ พวกพระพวกศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อรามานี้มาเนี่มาเนี่ยมาล้างเนี้นะเนี้เนี้ยหลวงพ่อจะทํายังไงได้เออเออกไปนั่งตามที่เขานิมนต์เขาตามที่นั่งขอแล้วก็ไปนั่งอ่พอเป็นนั่นแหะกับมันก็ทะเลทลาอย่างที่ว่าอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แ่ะมันจะ ท, าทํายาังไงล่ะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานแต่ถึงยังไงให้เจตนาดี ถึอจะได้หน้าก็ได้ไปอะไรได้หน้าอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะเผาหน้าทิ้งอีกเหมือนกันเอาเอาบุญใส่ใจดีกว่าอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมบอกมาอันไหนที่จะให้ช่วยมีอะไรไหมขาดเหลือขาดตกในงานหลวงปูเข้าไปช่วยกันคิดเข้าไปช่วยกันพิจารณาแต่ตามไม่จริง คนรุ่นใหม่ลูกหลานทั้งหลายแล้วเนี่ยมีแต่ผู้มีสติผู้มีปัญญาทั้งนั้นแหละหลวงพ่อเองก็มอบความไว้วางใจกับผู้ที่ดูแลจัดการจัดงานองค์หลวงปู่นะแต่ถ้าว่ามเาีเรื่องอะไรที่จะให้หลวงพ่อเขาไปช่วย เ, เรื่องปัจจัยสีหรือมันขาดไหมหลวงพ่อก็มั่นใจอกีกหลวงปู่มีบา ร, รมีมาก จตุปัจจัยที่จะมานํามาใช้เนะี่ยข้อสําคัญนะจัดให้เป็นจัดระบบระเบียบให้ดีเท่านั้นนะอย่าไปปล่อยปาลาน่าเลยถ้าหากว่ามีอะไรก็เอามีตู้บริจาคเอารูปหลวงปู่แจกเงินมาบริจากระใส่ตู้แล้วก็มีคณะกรรมการตรวจนับให้เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเฉยๆ เ, ยเยมยๆน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่ผลสุดมาทะเลาะกันที่หลังฮะ มันมีทั้งนั้นแหละเพราะอเพราะหาผู้เป็นหัวจักไม่ได้แต่ในหลวงพ่อก็มั่นใจหัวจักเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ว่าอำนาจประการเนี่ยท่านเคยเป็นผ่านการผ่านงานมาแล้วและอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นวั ย, ยาวจากรของวัดโพอีกเนะ่เป็นผู้ใหญ่ท่านคงจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็แนะนำแล้วก็ผลประโูชนก็ชี้ขาด ก็คงจะเป็นมอบให้ท่านท่านนั่นแหละท่านฝ่ายญาติโยมนะฝ่ายพระกันนะท่านเจ้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชนะแต่ท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีในช่วงนี้ท่านก็ถึงยังไงท่านก็ยังเป็นปากเป็นเสียงได้ออบอกได้อยากนั่งก็พระน้อยพระหนุ่มพระ ลูกวัดโพธิสมพรนะ่ยรุ่นไหนตัวรุ่นไหนจริงเยอะแยะไปหมดแต่วันนั้นก็ท่านได้รับการแต่งตั้งคือเจ้าคุณมหาวงไทยท่านได้รับหน้าที่ดูแลทําหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสเว่าไครนะ่ะคล้ายๆกัาว่าพอลงท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่สบายต้อไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องเนะี่ แต่งทั้งแต่งตั้ ง, ง, งลูกหมอ้อท่านเคยอยู่วัดโพธิสมพรกนะ็เคยอยู่วัดปวรเวิเวศท่านก็ให้นิมนต์ท่านเข้าม า, าดูมาแลในจุดนี้แล้วก็จะคุณสีวัดพระรามเก้าการลุดแล้วแต่เป็นชั้นปัญญาชนก้บายจานที่ เป็นผู้มิสติมีปัญญาทั้งหมดลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็น่าเสียดายท่ท่านเ <c oughs> จ้าคุณ อ, อะไรที่ท่านมรณาภาพไปก่อนอ น, นันตท่านรักหลวงปู่มากวัดอะไรที่หลวงปู่มั่นไปอยู่หนะลวงปอลลึกชื่อไม่ได้นะนี่แหละอันนี้ก็คืองานหลวงปู่นะ เพราะนั้นให้ถึงยังไงก็ตามนะเรื่องการเรื่องงานที่หลวงพ่อเล่าต้องพูดให้ฟังกับเท้าความให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังสรุปแล้วก็คืองานครูบาอาจารย์ถึงยังไงให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะให้ยอมน้อมรับบูชาประคุณหลวงปู่ด้วยจิตเป็นกุศลเอ เรื่องหลบับเรื่องยศเรื่องหนาเรื่องตาเรื่องชื่อเรื่องเสียงที่จะจัดงานนั่นน่ะควรทิ้งไว้ทั้งหลังถ้าตัวเองตัวของท่านเองทุกคนเองทำดีนั่นแหละความดีนั่นแหละจะเป็นเกียรติศัพท์เกียรติคุณส่งเสริมเรานานเท่านานถ้าว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วอยากจะได้ชื่อเสียงชื่อเสียงน่ดับวูบไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะ ตัวเองทำไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสแสวงหาสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นให้พวกเราลูกหลานทุกคนการจัดการจัดงานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาหลวงพ่อเห็นได้ชัดนะในขราวนั้นนะก็ มีผลพลอยมาตั้งกระทั่งทุกวันนี้อีกตาขาความไม่เข้าใจแต่ถ้าม า, มาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อจะชี้แจงให้ฟังหลวงพ่อไม่มีอะไรพร้อมที่จะชี้แจงหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไระทำไม่ดีที่สุดในเมื่อหลวงปู่ป่ปวยหลวงตาป่วยแต่เมื่อหลวงตาไม่ป่วยหลวงพ่อก็ไม่เข้าไปเพราะอะลายพ่าะเข้าไปทาไมท่านช่วยตนเองได้อยู่หมู่พวกเพื่อนก็นดูแลในเมื่อ หลวงตาป่วยหลวงพ่อก็เข้าไปตั้งแต่วันแรกแต่ได้ยินข่าวแหละจากนั้นก็ไปอยู่ที่นั่นอพอเสร็จงานพอไปชุมเพลิงวันที่ห้านะวันที่หกหลวงพ่อก็ออกทันทีเลยพอเสร็จแล้วเนะี่ยเสร็จภาระของหลวงพ่อแล้ว น, ะนี่แหละคือหลวงพ่อเข้าไปเข้าไปทํางานช่วยงานทําไม่ดีที่สดุดกิดแทนดีทําไม่ดีพูดธแทนดี ในขณะที่ไปทำงานนยยังมีเอ3สบันทึกความทรงจำของของข้าพเจ้านยังมีอยู่ในเอ3มสมนที่หลวงพ่อได้พูดแต่บางครั้งก็ได้ตัดตอนออกพ่อสมควรเหมือนกันท่านอยู่ในเทปนะบางทีก็พูดแบบโสงช่างไปบองกันบางครั้งนะแต่ทิ้งยังไงก็ตาม แต่สรุปแล้วก็คือหวังดีเจตนาดีต่อองค์หลวงตาเพื่อจะให้งานสำเร็จร่วงๆ น, นี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้เป็นแนวความคิดหนึ่งที่หลวงพ่อเป็นห่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระในโร่งรวยไปตามอายุสังขารของท่านบรรดาลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอยู่เบื้องหลังบางทีจัดการจัดงาน มีการไม่เข้าใจกันทะเลาะบวะแหวงกันอันนี้หลวงพ่อเนี่เป็นห่วงนะเพราะคนหลายคนทำงานด้วยกันหลายคนแต่ถึงยังไงถ้าทุกคนให้อภัยกันเจตนาดีต่อกันรักเมตตากันถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเราทำด้วยเจตนาดีหวังบุญหวังกุศลถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นจะจบนะไม่ได้มากถ้าคิดเป็นอย่างอื่นนะโอ้ ข้าเป็นบุคคลสําคัญศรัทธา ญ, ญาติโยมรู้จักมากมากข้าในต้องเป็น เ, เป็นผู้นําเป็นฮีโร่เป็นเจ้าฝูงถ้าคิดไปอย่างงั้นจะขึ้นมาหลวงพ่อว่ามีแต่ทุกข์นะมีแต่ทุกข์ทุกข์เข้ามาผู้ที่มาทํางานด้วยกันเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเอยข้าก็สําคัญคนก็สำคัญคน ก, ก, ก็สำคัญต่างคนก็ต่างสําคัญทะเลาะกันบัด ทะเลถล่มกันบาเ น, นี่นั่นแหละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนั้นหละถ้าเป็นธรรมหรือไม่ออไม่มีอะไรจบแล้วก็มาพูดคุยกันสนทนากันขาดเหลือขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนอย่างไรให้อภัยกันจบนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรนรเเนะ น, นะ